สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสอตอร่อยเอฟเอรกลับมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภีปพพุณโญจากวัดบ่าดอนหายโศกซึ่งวัดบ่าดอนหาโศกนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีข้าพเจ้าก็นั่งอยู่ที่นี่แหละแล้วก็บันทึกเสียงส่งมาทางตามสายส่งมาตามคลื่น ให้ดับเฟังได้ฟังนั่งอยู่ที่บ้านทุกวันนี้เทคโนโลยีเ น, นี่ยมันดีมากดับเฟังหรือว่าข้าพเจ้าอยู่ที่อุดรบันทึกเสียงไว้ทัาเบิลฟังอยู่ที่บ้านก็ได้ยินสมัยก่อนนี่อุย้ยกว่าจะได้ฟังทำสักครั้งหนึ่งนี่ก็เรายังไม่ต้องไปพูดถึงสมัยพุทธกาลหรอกเอาแค่สักเมื่อ40ปีก่อนอย่างเงี้ยแต่กว่าจะไปตามหาครูบาอาจารย์โอ้โหบางทีก็อยากแต่บางทีงก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้าง ไม่พบไม่เจอบ้างยิ่งในสมัยพุทธกาลการเดินทางยิ่งยากกว่าสมัยเมื่อ40ปีที่แล้วด้วย40ปีที่แล้วเรายังมีถนนหนทางเป็นถนนคอนกรีตเป็นถนนยางมาตอยแต่มีเทคโนโลยีพวกนี้แล้วการเดินทางไปมันก็ยังมีความสะดวกมีรถเกง๋งมีรถไฟมีรถยนต์ก็มีความรวดเร็วแต่ในสมัยก่อนนี่โอ้โหเต็มฟังแต่ไม่ต้องพูดถึงถนนลูกรังหรอก ลูกรังนี่ก็คือเขาบดดีแล้วแต่เป็นดินเป็นหินอยู่แต่เอามาบดดีแล้วแต่มันก็ยังดีกว่าถนนทางกเกวียนทางกเกวียนแต่เป็นดินธรรมดาไม่ได้มีเครื่องบดไม่ได้มีเครื่องที่จะทำให้มันอัดแน่นลงไปทำให้มันเละแต่แล้วน้ำหนักไม่ได้มากซึ่งพัฒนามาก็เป็นถนนลูกรังพัฒนาขึ้นมาก็เป็นถนนคอนกรีตเป็นถนนยางมาตอยซึ่งสมัยก่อนไม่มีละ่ะ ไม่มีละพวกนี้มีแต่ทางกเกวียนมาอ่งนั้นซึ่งทางกเกวียนในกว่าจะเดินทางก็ยากลําบากเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปาหาฟังเทศฟังธรรมสักครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่จะต้องก็ใช้ความพยายามสูงคนที่จะไปจริงๆเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาจริงๆริงมีศรัทธามีความมั่นใจมีความลงใจมีความเชื่อใจจึงเดินทางไปในการที่จะ ให้ได้ยินให้ได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะซึ่งเดี๋ยวนี้ธรรมะเรามาส่งถึงบ้านท่านผู้ฟังเลยแต่ไม่ใช่แค่บ้านส่งถึงห้องเลยซึ่งถ้าเราฟังอยู่ด้วยเต็มเต็มสองรูหูฟังแล้วก็ให้เข้าไปถึงใจด้วยแต่คือเพราะว่าอย่างในสมัยก่อนที่เขาเดินทางกันอย่างยากลําลบากกว่าจะไปพบพระพุทธเจ้าได้ใจเขามีศรัทธาแต่ใจเขาเปิดรับธรรมะได้อย่างเต็มที่เดี๋ยวนี้เสียงมาถึงหูของเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เสียงมาได้ได้ฟังหมดได้ฟังตลอดแต่ถ้าใจปิดเนี่ยใจปิดเนี่ยนะใจปิดไม่ยอมรับธรรมะไม่ฟังเข้าหูก็ตามแต่ว่าไม่เข้าไปถึงใจเยมันก็ฟังไม่รู้เรื่องล่ะถ้าจะเปรียบเทียบแล้วคนที่เดินทางไกลเดินทางลําบากแต่ใจเปิดรับธรรมนั้นยังจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ประโยชน์จากการฟังซึ่งธรรมะเมื่อฟังเราก็ฟังด้วยจิตที่มีศรัทธา ฟังด้วยจิตที่เข้าใจไม่เข้าใจละก็จะเงี่ยโสดคอยสดับเพราะว่าคนที่จะคอยเงี่ยโสดสดับฟังทำอยู่เนี่ยไม่ว่าเรื่องนี้เราจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินก็ตามเดี๋ยวก็ น, นี่มีลักษณะของความเป็นอาชาในบุคคลที่เรียกว่ามีความเข้มแข็งมีความห้าวหาญมีความร่าเริงในธรรมสามารถที่จะพัฒนาให้ยิงย่งยิ่ขึ้นไปได้แสดงว่าเป็นคนที่ฝึกได้แต่คนที่ฝึกได้นี้ ก็ควรจะต้องได้รับการฝึกเพราะว่าถ้าฝึกได้แล้วไม่ได้รับการฝึกแล้วตายไปก่อนนี่มันเสียดายเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราคิดว่าเราเป็นผู้ที่พอจะฝึกได้นะ่แะแต่เราก็มีศีลที่ตั้งมั่นเอาไว้ได้นะ่ะหมุนไปแทนที่จะหมุนไปฟังเพลงฟังดนตรีอะไรต่างๆจากคลื่นอื่นเราก็ยังหมุนมาคลื่นที่เป็นรายการฟังธรรมะนะ่ะ แ, แสดงว่าจิตใจของเราเป็นจิตใจของบุคคลที่พอจะฝึกได้แน่นอน แต่พอจะฝึกได้แล้วก็ฝึกให้มันดีฝึกในการที่จะเข้าใจธรรมะในการที่จะไคร์รวนพิจารณาปฏิบัติธรรมให้มันถูกต้องตามธรรมแต่ซึ่งการปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องตามธรรมการไคร์รวนพิจารณาตรงนี้จะเป็นผู้ที่ทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไม่ลําบากด้วยเหตุแห่งธรรมตัวอย่างที่เราได้พูดถึงกันอยู่ก็คือเรื่องของท่านพระปุญนะท่านพระปุญณานี้เป็นภิกษุ ชาวเมืองสุนาปันตะแต่ตอนก่อนบวชนั้นก็เป็นพ่อค้ามาค้าขายอยู่ที่เมืองสาวัตถีเดินทาง ม, มาถึงเมืองสาวัตถีพบแล้วว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแต่ชึ่อมีศรัทธาออกบวชบวชแล้วอยู่สักระยะหนึ่งก็มีความคิดความปรารถนาว่าจะกลับไปที่บ้านเดิมของตนก็จึงมาขอโอวาทสั้นๆกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มอบโอวาทสั้นๆให้ท่านพระปุณณะไป เราได้พูดถึงเรื่องนี้ไปเมื่อวานนี้ที่พระพรุทธเจ้าได้ให้โอวาทเกี่ยวกับเรื่องของความเพลินว่าความเพลินเป็นเหตุของความทุกข์ถ้าเราไม่เพลินลก็ดับเหตุของความทุกข์ได้แล้วในเพลินในอะไรได้บ้างกตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปสิ่งกลินล่นรสปัตตับทธรรมรมอะไรที่เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องจากสิ่งนี้มามันเข้าไปติดก็ไปยึดได้หมด อะไรที่เป็นสิ่งต่อเนื่องจากสิ่งเหล่านี้มาสามารถที่จะละจะกลายตัญหาได้ตรงนั้นหมดเรามาทบทวนกันตรงนี้นิดหนึ่งท่านบุฟังเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่คิดว่าจะให้ท่านบุฟังเนี่ยได้รู้เพิ่มเติมจากที่เราพูดคุยกันหม่เมื่อวานหังจากเราจะมาพูดในแง่มุมของอริยสัจสี่ในอว่าที่ได้มอบให้กับท่านพระปุณณนะเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุของความทุกข์คือเรื่องของเจ้าตัญหาเรื่องของเจ้านันที ความเพลินราคะพวกนี้ส่วนส่วนนี้เกี่ยวข้องกับพวกตรงนี้แต่ซึ่งในอริยสนะัจสีเนี่ยสักบทไดบทหนึ่งแต่นนใน4บทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัณหาเหตุเกิดทุกข์เรื่องของเจ้าตัวทุกข์คือขันห้าเรื่องของความดับทุกข์คือนิพพานเรื่องของทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์อันใดอันหนึ่งก็ได้ใน4อันนี้ซึ่งโอวาทที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับท่านพระพุ่ธนานั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุ ข, ของความทุกข์ แต่พอให้ อ, อว่าตรงนี้ไปละท่านพระปุณณาก็จะเดินทางไปละไปที่เมืองสุนาปรันตะปรากฏว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เตือนท่านพระปุญณนะก็คือว่าชาวสุนาปรันตะนี้แม่มีชื่อเสียงท่านหวั ง, งมีชื่อเสียงในลักษณะที่เป็นคนรุนแรงพอสมควรแต่ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันละทีนี้ก็เลยเตือนท่านพระปุณณนะ์บทสนทนาที่พระพุทธเจ้าได้เตือนท่านพระปุญณณนะ์ได้มีในพระสูตร อาม า, อานให้ท่านผู้ฟังฟันในระบบ2ภาษาลองฟังเรื่องราวตรงนี้นะที่เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนี้หลังจากที่พระบุตรเจาได้มอบโอวาดแล้วแล้ก็ถามท่านพระปุณณะจะไปอยู่ที่ไหนได้ตรายกับท่านพระปุณณะอย่างนี้วนนะ่าปุณณะก็เธออนันเรากล่าวสอนโดยโอวาดย่อยๆนี้แล้วช่วยไปอยู่ในชนบทไหนเหล่า Now that I have given you the brief advice In which country you w o u d w e l l ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อันพระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอนด้วยโอวาทยอยอดนี้แล้วมีชนบทชื่อสุนาปันตะเป็นที่ที่ข้าพระองค์จะไปอยู่พระเจ้าข้า In e reverse, now that the blessed one has given me this brief advice, I am going to dwell. ใ n ส h น a บ a รัน a ะคันทรีปุณณะพวกมนุษย์ชาวสุนาบรันตะนั้นดุร้ายหยาบช้านักถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาบรันตะนั้นจะด่าจะบริบาทเธอเธอจะมีความคิดอย่างไรในมนุษย์พวกนั้นปุ n a ะ The people of s u n n a Baranta are fierce and rough. If they abuse and threaten you, what You คุณคิดเหรอแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันต์ชนบทชะดาจะบริภาศข้าพระองค์ข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันต์ชนบทนี้ยังดีนักหนาที่ไม่ให้การบริหารเราด้วยฝ่ามือแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกมนุษย์นั้นอย่างนี้พระเจ้าข้า Venerable sir, if the people of Sunabranta abuse and threaten me, then I shall think these people of Sunabranta are excellent, truly excellent, in that they did not give me a blow with the fist. Then I shall think thus, the blessed one. I shall think thus, sublime one. b u n a ก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาบรันตะจะให้การประหารคือตีเธอด้วยฝ่ามือเธอจะมีความคิดอย่างไรในมนุษย์พวกนั้น But p u n n a if the people of Suan Branta do give you a blow with the f i s e what will you think then ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาบรันตะชนวด จะให้การประหารข้าพระองค์ด้วยฝ่ามือไซ้ข้าพระองค์ก็จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่าพวกมนุษย์ชาวสุนาบรันตานี้ยังดีนักหนายังไม่ให้การตีคือประหารเราด้วยก้อนดินข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกมนุษย์นั้นอย่างนี้พระชจ้าข้า b e n น e ด b o ึ s e r If the people of s u n a ง a ุนาบรันตาน e a ไม่ให้กา t h ีเราด Then I shall think, these people of s u n n a b p r a n t a are excellent, truly excellent, in that they did not give me a blow with a clot. Then I shall think first the blessed one, I shall think first sublime one. b u t d h a if t h s e people of s u n a b e r a n t a will not hit me with a clot. เธอจะมีความคิดในพวกมนุษย์นั้นอย่างไร Bad PUNNA If the people of s u n นา h ร a น t a Do give you a blow with a cloth What will you think then? ข้าแต่ปร่งผู้เจริญก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตะนั้นจะให้การประหารข้าปร่งด้วยก้อนดินข้าปร่งก็จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่า พวกมนุษย์ชาวสุนาบรันตะนี้ยังดีนักหนาที่ไม่ให้การประหารเราด้วยท่อนไม้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกมนุษย์นั้นอย่างนี้พระเจ้าข้าเป็นนัช า, า then, sir, if the people of Sunda Branta do give me a blow with a clod then I shall think these people of s u n a a Branta Are excellent, truly excellent, in that they did not give me a blow with a stick. Then I shall think f i r s bless one, the s u l y one. ปุนนะก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาบันตะจะให้การประหารคือตีเธอด้วยท่อนไม้เธอจะมีความคิดอย่างไรในมนุษย์พวกนั้น but ปุณณนะ If ถ้า b a r a n t a do g i v บ you a blow with a stick, what will you think then? ข้าพระองค์ผู้เช่ิญ้ก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาบรันตะจะให้การปราณข้าพระองค์ด้วยท่อนไม้พระองค์จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่าพวกมนุษย์ชาวสุนาบรันตะนี้ยังดีนักหนาที่ไม่ให้การปราณเราด้วยสัตราคืออาวุธ ขร่องจะมีความคิดในพวกมนุษย์นั้นอย่างนี้พระเจ้าค่า b e n e r a b Sir If the people of Sunnah Paranta do give me a blow with a stick then I shall think these people of Sunnah p a n t a are excellent truly excellent in that they did not give me a blow with a knife then I shall think t h u s t the blessed one ชาวสิงห์ผู้สูงสุดหนึ่งบุญนะก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาบรันตาจะให้การประหารเธอด้วยสัตราเธอจะมีความคิดในพวกมนุษย์นั้นอย่างไร But Bunnah, นะ if the people of Suna Baranta do give you a blow with a knife, what do you think then? แค่แต่บรงพู้เริญ ก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปันตะจะประหารข้าบรงด้วยสัตตราข้าบรงจะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่ามนุษย์ชาวสุนาปันตะชนบทนี้ยังดีหนักหนาที่ไม่ปลิดชีพเราเสียด้วยสัตตราอันคมข้าบรงจะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้พระเจ้าข้าบนถนนเซอร์ if the people of s u n a Pranta do give me a blow with a knife then I shall think these people of Suna b r a n t a are excellent, truly excellent, in that they have not taken my life with a sharp knife. I shall think first blessed one. I shall think first sublime one. บุญนะก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาบรันตานั้นจะปลี่ชีพเธอเสียด้วยสาสตราอนคม เธอจะมีความคิดอย่างไรในมนุษย์พวกนั้นบัดปุญนา if the people of Sunda b a r a n d a do take your life with a sharp knife what will you think then ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาแบรันตะนั้นจะปลิดชีพข้าพระองค์ด้วยสาตราณคมข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกเขาอย่างนี้ว่า ก็มีเหล่าสาวกของพระผู้มีพระภาคที่อึดอัดเกลียดจังร่างกายและชีวิตพากันสแสวงหาศาสตราสังหารชีพอยู่นั่นแลเราเองไม่ต้องสแสวงหาสิ่งดังนั้นเลยก็ได้ศาสตราสังหารชีพแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะมีความคิดในพวกมนุษย์นั้นอย่างนี้พระเจ้าข้าวินาทบอสเ if the people of suna baranta To take my life with a sharp knife, then I shall think thus: that I have been disciples of the blessed one, who, being repelled, humiliated, and disgusted by the body and by life, having sought an excellent, but I have obtained this excellent without even a search. then I shall think first blessed one I shall think first sublime one ดีละดีละบุญ น, นะเธอประกอบด้วยธรรมะคือความข่มบังคับใจและอุปสมะคือความสงบประงับดังนี้แล้วจะอาจเพื่อจะอยู่ในสุนาปรันตะชนบทได้และบุ่นนะเธอจงสำคัญในเวลาที่ควรไปเถิด good ปุณณะ good possessing such self control and peacefulness you will be able to dwell in suna branta country now ปุณณะ it is time to do as you think fit ก็ในครั้งนั้นท่านพระปุณนะได้ยินดีอนุโมทนาพาษสิทธิองพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถวายบังคมกระทำประทักษิณ เก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรจาริกไปที่ตั้งของสุนาปันตะชนบทได้ถึงที่นั่นแล้ว then having delighted and rejoiced in the blessed one's words the venerable p u uh n n a rose from his seat and after paying homage to the blessed one departed keeping him on the right he then said His resting place in order, took his bowl and other r o b and set out to wander towards the s u n n a b a r a n d a country. Wandering by stages, he eventually arrived in the s u n n a b a r a n d a country, and there he lived. When the Tan b r a p u n n a died in t h Sunda Beranda jungle, that was the case. ท่านรับบุญนานได้ให้พวกมนุษย์ชาวสุนาปันตะกลับใจแสดงตนเป็นอุบาศกประมาณ500คนภายในพรรษา น, นั้นเองกลับใจแสดงตนเป็นอุบาสิการประมาณ500อยคนในพรรษานั้นนั่นเองและตัวท่านก็ได้ทาให้แจ้งซึ่งวิชาสามภายในพรรษา น, นั้นเหมือนกันครั้นสมัยต่อมาท่านได้ปรินิพพานแล้ว Then, during the reigns, the venerable Buddha established five hundred men lay followers and five hundred women lay followers in the practice, and he himself realized the three true knowledges. On a later occasion, the venerable Buddha attained final nibbana. k r a n l a พิสุมากรูปด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าวพิวาทแล้วนั่งอยู่ข้างหนึ่งได้กราบตูนกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกณบุตรชื่อปุณณนะที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนด้วยโอวาทย่อๆนั้นทำการและเสร็จแล้วเธอมีคติเป็นอย่างไรมีสัมปรรยภพเป็นอย่างไรพระชาา Then a number of pickles went to the blessed one, and after paying homage to him, then sat down on one side and asked, "When the roser, the clansman Punna, who was given brief advice by the blessed one, has died, what is his destination? What is his future course?" i t a n l a e ปุณณะกุลบุตรเป็นบัรดิตได้บรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วทั้งไม่ให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมวิสุทธังลายปุณณนะกุลบุตรปบันนีผ่านแล้ว Because the clansman p u n a was wise he practiced in accordance with the Dhamma and did not trouble me in the interpretation of the Dhamma The clansman Buddha has attained final n i r b a n a แม่ถ้าบอกว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆนั่นคือหมายถึงสถานการณ์ที่รพระเจ้ายกตัวอย่างขึ้นให้ฟังเนี่ยเราจะทำได้อย่างที่ท่านพระปุ่ น, นะเนี่ยคิดไว้หรือเปล่าแต่ถูกด่าถูกว่าก็ยังมีใจยินดีว่าเขาไม่ทำร้ายก็ดีแล้วถึงแม้ถ้าถูกทำร้ายก็ยังมีใจยินดีว่า เขายังไม่ได้ใช้อาวุธที่มันหนักขึ้นหนักขึ้นแต่ถ้าถูกอาวุธที่หนักขึ้นก็ยังมีใจยินดีว่ายังไม่ตายแต่ถ้าเขาจะฆ่าให้ตายเลยก็ยังมีใจยินดีว่าเอาใดตายแล้วไม่ต้องลำบากด้วยการที่จะหาสิ่งอะไรมาทำให้ตัวเองต้อง ต, องตายลงแต่มีใจยินดีแบบนี้แต่บุฟังแต่แสดงว่าในจิตใจเนียต้องมีทั้งความเมตตาทั้งกรุณามีพรหมจรรย์สิ่อยู่แน่นอนคุณธรรมที่พระพุทธเจ้า โย่องในที่นี้คือความข่มบังคับใจและก็การสมรวมระวังซึ่งคนที่จะมีความข่มบังคับใจไม่ให้ใจมันไหลไปในทางต่ำํำถึงแม้ว่าเขาจะทําสิ่งไม่ดีกับเราก็ตามแต่จีของบุคคลผู้นั้นแน่นอนจะต้องมีสติกํากับเอาไวา้มีสติเป็นที่ตั้งมีสติในการที่จะระลึกได้ว่าสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทําซึ่งในที่นั้นปอตันพระพุทธนะได้บอกเล่า กล่าวถึงสานรนัการที่ตัวเองจะตอบสนองแต่เพราะว่ามีเหตุการณนน์นั้นๆเกิดขึ้นให้พระพุทธเจ้าฟังแล้วแล้วก็เดินทางไปที่เมืองสุนาบรันตะคือที่พระพุทธเจ้าถามเนี่ยธรามฝังเป็นการสมมุติในการที่ถ้าเผื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคุณจะตอบสนองอย่างไงแต่เพราะว่ายังไม่สามารถตอบสนองให้ดีให้ถูกให้ได้ตามที่ควรที่จะต้องทําให้ดีให้ได้ให้ถูกเนี่ยก็จะต้องมีการบอกสอนเพิ่มเติมล่ะ นะว่าควรจะต้องทําจิตยังไง อ, อ, มมอุปมาอุปไมแบบไหนที่ควรจะต้องมาพิจารณาหรือว่าธรรมะก้อใดที่ควรจะมาทรงไว้ในใจ น, นี่เป็นลักษณะการที่พระราชาถามเพื่อที่จะสอบทบทวนถึงสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่พอไปถึงจริงๆนระหว่างไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่พอไปถึงจริ ง, รงๆแล้วก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ที่เขาจะมาทําร้ายทุ้บตีหรอกแต่พระบุญญาณนี่ก็ยังสามารถที่จะให้อุบาสบาิกาชาว เมืองสุนาปันตาเนี่ยตั้งหลายร้อยคนนั้มาเป็นผู้ที่รักษาศีลห้าสมาทานไตรสรณคมแต่ละตัวท่านเองก็เป็นผู้ที่ทําให้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ไม่ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตรงนี้ภาษาอังกฤษก็แปลว่า practice in accordance to the dhamma คือให้มันสมควรแก่ธรรมะที่มันควรจะต้องเป็นที่มันจะต้องควรใช้ในที่นั้น เช่นว่าถ้าเผื่อว่าจคุณครองเรือนอยู่อย่างเนี้นะคุณจะมารักษาศีลแปดนี่บางทีมันก็ยากเพราะฉะนั้นธรรมะคือศีลหก็จะเหมาะสมกับผู้ที่ยังต้องครองเรือนผู้ที่ยังต้องเสพกรามก็ลักษณะนั้นในสถานการณ์บางอย่างควรจะต้องมีเมตตากรุณาถ้าเราจะอุเบกขาไปใช้มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมลักษณะที่ประพฤติตามสมควรแก่ธรรมนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราโมาคุยกันได้ พอประพฤิธรรมสมควรแกร่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นผู้ที่ทําให้พระพุทธเจ้านั้นไม่ลําบากด้วยเหตุแห่งธรรมเอาละไอ้คนที่ทําให้พระพุทธเจ้าลําบากด้วยเหตุแห่งธรรมเนี่ยเป็นลักษณะไหนแต่ก็เช่นว่าคนที่ทํำหยอหยอแยแยทําอย่างนี้เราคงไม่ได้ผลแล้วก็มาว่าว่าโอ้สงสัยไม่ได้จริงมั้งไม่ได้เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้า ว, ว่าเพราะว่าตัวเองก็ทําไม่จริงไม่จังทำหยอหยอแยแๆ อันนี้ก็ลักษณะหนึ่งซึ่งทานพระพุทธนะนั้นสามารถปฏิบัติจนกระทั่งถึงความสิ้นอาสวะก็พูดง่ายๆกับบรรลุปเป็นพระอรันนั่นละ่ะตามประสงค์ของคนที่เขาออกบวชจากเรื่องเขาจะทำกันเว ร, ราของท่านพระพุทธนะเขาจบตรงนี้และยตาตามูฟังยังมีคําถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆแต่ก็สามารถส่งเป็นจดหมายหรือว่าเป็นปรษชียบัตรมาที่วัดป่า ด, ดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่8ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธา น, นี หรือเขียนเป็นข้อความก็ได้มาที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a. com กับพระเจ้าพระมหาภัยบุญอภีปุณโญเจริญบาน